ท่านผู้ฟังที่เคารพครับต่อจากนี้ไปจะเป็นการบรรยายธรรมโดยท่านพระอาจารย์ประหลัดสมทบพระกโมวัดกลางอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีเรื่องพรงมรชาณสูตรทำการบรรยายครั้งที่หนึ่งขอเชิญท่านรับฟังได้นำบัดนี้ครับ วาโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสั้มาซ้ำพุทธสาประสูตชอได้โดยพระองนามว่าตัสสะาควโตโคโนมแบบพระผู้มีพระพ พระใ น, นครั้งนี้ก็จะได้บรรยายต่อจากครั้งที่แล้วตอนนี้ก็บรรยายในทีคณิกายศี่ลขันธวัชโดยเฉพาะในพรมชารสูตรที่ได้ศึกษาในพระสุตรตันตปิดกทีคณิกายศี่ลขันธวรชในสูตรแรกแล้วก็ในเป็นพระสุสตรตันตปีดกเล่มแรกด้วยออตอนนี้ก็ไม่เข้าดูรายละเอียด จากข้งกรอนที่บอกโดยสรุปที่กล่าวโดยสรุปกันเข้าไว้ออถ้าดูจากรายละเอียดในคำสอนโดยเฉพาะในพระสุตตันตปิฎกในทีคณิกายสีละขันธวักเนี่ยต้องดูสรุปตรงนี้อีกเล็กน้อยเพื่อเพื่อความเข้าใจคือในการแสดงพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านี่มารยะหลังก็คือว่าเกี่ยวกันในเรื่องของท่านได้ร้อยกอง พระธรรมวินัยก็ไว้โดยเฉพาะในพรหมชารสูตรเนี่ยคือในศีลขันธวัชมีทั้งหมดสิบสามสูตรสูตรแรกก็คือพรหมชาลสูตรสูตรที่สองก็สามัญผลยสูตรสูตรที่สามก็คืออัมพัทสูตรสูตรที่สี่ก็คือโสนทันทสูตรห้านะกยกูฏทันทสูตรหก็มหาลิสูตรเจ็ดก็ชาลิยสูตรแปดก็มหาศิฮนาทสูตรเก้าก็คือ โปทะปาทสูตร10 ส, สุภาษศูดสิบเอ็เกวัตศูดสิบสองก็โลหิตตสูตร13ก็คือเตวัชสูตร13 ส, สามศูดเนี่ยโดยเฉพาะในสูตรแรกที่บอกที่ที่มาของชื่อคําว่าพรหมชาลสูตรก็แปลวระสูตรที่ว่าด้วยไายอันประเสริฐคําว่าไายอันประเสริฐหมายถึงสัพพัญญุตยานของพระผู้มีพระภาคที่เรียกว่าไายอันประเสริฐก็หมายถึงสัพพัญญุตยานของพระผู้มีพระภาคที่เป็นเหตุ ให้ทรงรู้ทิฏฐิหรือลัทิต่างๆที่แพร่หลายอยู่ในสมัยนั้นอย่างแจ่มแจ้งแล้วก็ชัดและยังทรงรู้แจ้งยิ่งไปกว่านั้นอีกฉะนั้นพระสูตรเนี้นอกจากจะเป็นพรหมชารสูตรแล้วเนี่ยพระผู้มีอภิภาพก็ยังทรงประทานชื่อไว้อีกสี่ชื่อที่ได้กล่าวไว้ในครั้งที่แล้วที่เราก็อัดอัดฐาชาลสูตรก็แปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยข่ายของแห่งประโยชน์เพราะอะไรเพราะจําแนกประโยชน์ในภพนี้แล้วก็ประโยชน์ในภพหน้า คือในสูตรนี้จำแนกประโยชน์ด้วยสองประการประโยชน์ในปัจจุบันแล้วประโยชน์ในภพหน้าประการที่สองก็คือธรรมชาลสูตรก็แปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยข่ายแห่งธรรมก็คือทรงจำแนกธรรมมันเป็นแบบแผนก็ไว้นั่นเองประการที่สามคือทิฏฐิชาลสูตรก็แปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยข่ายแห่งทิฏฐิพระองค์ก็ทรงจำแนกทิฏฐิคือรัฐที่ต่างๆไว้หกสิบสองรัฐที่ เหตที่ทรงจำแนดอย่างนั้นก็ทรงเห็นว่าสมณพราหมู้ยึดถือละที่เหล่านั้นกัมลังถูกรัธิคือทิฏฐิอของตนเองนั้นยึดถือครอบครองแล้วก็ผูกมัดเข้าไว้เวลาจะโผล่ขึ้นก็อยู่ในลทัทิติดอยู่ในวังวนละทิแล้วก็ทิฏฐิอของตนเองไม่อาจที่จะหลุดพ้นไปได้ก็ทรง อ, อุมาเหมือนปลาปลาที่ถูกตาข่ายหรือแหของชาวประมงครอบคุมไว้เวลาจะโผล่ขึ้นมาก็โผล่อยู่ในข่ายนั่นแหละ เวลากลุ่มบุคคลเหล่านี้เวลาจะคิดคิดยังไงก็ออกจากทุกข์ไม่ได้ก็วนๆก็อยู่ในตะข่ายนั่นแหละประการที่สี่ที่บอกว่าสังคาวิชยสูตรสังฆามะวิชยสูตรก็แปลว่าพระสูตรที่ว่าด้วยตําราพิชัยสงคามก็แปลว่าอะไรแปลว่าพระผู้มีพระภาคเนี่ยนะบอกว่าผู้ที่ได้ฟังพระสูตรนี้จบแล้วเนี่ยจะสามารถย่ํายีมารได้หนึ่งย่ำยีเทวปุตตมาร ่สนใจนะว่าฟังพระสูตนี้จบแล้วจะย่ำยีเทพบุตรมารได้ย่ํายีเทพบุตรมารมารคือเทพบุตรใครคือเทพบุตรถ้าสมัยที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็มีเทพบุตรมารใช่ไหมคือวัสดีมารแล้วก็เสนามารก็แปลลูกน้องแต่ตอนนี้วัสดีมารเนี่ยปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าแล้วไม่เป็นมารแล้วเป็นพระโพธิสัตว์ใช่ไหมแต่เสนามารเนนะี่ยยังเยอะอีกเยอะเลย คือเทวดาทั้งหลายที่เป็นกลุ่มมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเขาบอฉะนั้นพอฟังพรหมชาลาสูตรแล้วก็ยิ้มได้ต่อไปก็จะมีมีอาวุธในการที่จะปราบเทวปุตตรมานี่ข้อแรกประการที่สองก็คือขันธมานขันธมานอยู่ตรงไหนใช่ไหมอยู่ที่รู ป, ปขันธเวทนาขันธสัญญาขันธสังขาระขันธวิญญาณขันธเออกายกับใจเนี่ยพระพุทธเจ้าว่าเป็นมารแตอ่อย่าไปว่าคนอื่นนะเองนี่มารแท้ๆนะที่จริงถูกนั่นแหละ มานต่อมาเนี่ยนะแต่จริงกระขันเนี่ยเป็นมานคําว่ามานเนี่ยมันขวางนะขวางแปลว่ากั้นใช่ไหมบางทีเนี่ยเราอยากจะกระทํากุศลอะไรต่างๆที่รูประขันมันขัดขวางคือบางทีจักขูประสาทขวางบ้างโสตะประสาทขวางบ้างไม่พร้อมบางคนจะมาศึกษาว่าทำคําสอนจะมาอ่านพระไตรปิฎกตามไม่ดีแล้วมันมันขวางจริงๆนะจะฟังทำซะหน่อยเอาแล้ว หูก็ฟังไม่ค่อยจะได้ยินแต่แล้วคือพบเนี่ยมันเป็นถ้าปล่อยไว้นานมันขวางหมดแหละที่จริงมันก็ขวางมาทั้งนั้นทีนี้ไอ้ขันอื่นที่ขวางเยอะเลยอเวทนาขันใช่ไหมพอทุกหนแล้วโอ้โหไม่เอาแล้วจะให้ฟังทำด้วยแ ล, วแล้วปวดหลังไปด้วยสมมติชั <laughs> กไม่ค่อยเอาแล้วถอยแล้วนั่งนานๆไม่ไหวเห็นไหมเป็นมารจริงๆเนะมันขวางที่เราจะเจริญกุศลนะ ว่อยากจะสวดมนต์ตั้งใจอะไรหน่อยบ่ทุกขเวทนามาขวางหน่อยก็จริงๆก็คือมารนั่นแหละมันขวางถ้ายิ่งกลุ่มสังขารละขันโอ้โหขวางมากจริงๆแค่นี้ก็พอแล้วใช่ไห ม, มันขวางหมดเลยใช่ไหมโอ้ยเราก็ฟังธรรมะมาก็พอสมควรแล้วเนี่ยฟังอื่นๆบ้างก็เนี่ยรักไหนมันจะเป็นมารขวางเลยตลอดยิ่งความจำอะไรต่า ง, างนี่ยิ่งยิ่งใหญ่เช่นเคยจําในเรื่องที่มัน มันตรงกันข้ามกับคําสอนได้แล้วเนี่ยเวลาเราจะคิดถึงคําสอนนี่อะไรอสิ่งเหล่านั้นก็มาแทรกอยู่นั่นแหละแทรกไปแทรกมาทําให้ความเห็นของเราผิดนะกลุ่มนั้นกลุ่มนี้เป็นมารเนี่ยเป็นมารประการต่อมาก็คือมัจจุ ม, มาณเอาพอจะประพฤติปฏิบัติจะศึกษาคําสอนก็หน่อยทําท่าจะตายซะอีกแล้ว <c oughs> เนี่ยลักษณะอย่างนี้เป็นมารไหมล่ะแล้วก็หนักใจที่สุดก็คือกิเลสมารเนี่ย ความโลภบางความโกรธบางความหลงบางทิฏฐิมานะเป็นต้นเหล่านี้เนะี่ยให้พ่ายแพ้ได้ฉะนั้นถ้าหากฟังสูตรนี้จบแล้วเนี่ยเราจะมีสามารถย่ำยีมานทั้งหลายคือคนที่ก็ฟังกันในยุค ก, ก่อนๆเนี่ยนะีพอพระพุทธเจ้าแสดงพรหมชาลาสูตรแม้แต่พระอาหารหันตสาวกทั้งหลายท่านเริ่มสาธยายพรหมชาลาสูตรเนี่มานตะดุง้งตะเทือนกันหมดคนได้บรรลุ ก, กันที่มาของพระสูตร ตอนนี้ก็จะต้องเริ่มเล่าเรื่องเริ่มเล่าเรื่องหนึ่งในพรหมชาลสูตรนเนี่ยนะก็คือว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าเสด็จดำเนินในระหว่างดำเนินไกลระหว่างกรุงราชคลอและเมืองนารันทาพร้อมได้ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่ประมาณ500ร้ปลกขนาพักแรมอยู่ที่ตำหนักหลวงในราชอุทยานอัมพัลติกาเป็นตน้นคือ สุปิยาปริพาชค ก, ก็เดินทางไกลในระหว่างกรุงราชครือและเ ม, มืองนาลันทาพร้อมด้วยพรห ม, มทัตตะมานพผู้เป็นอันเทวาสิก ค, คือคือพระพุทธเจ้าพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์ก็สเสด็จดำเนินใช่ไหมภิกษุสงฆ์ก็ก็เดินตามพระพุทธเจ้า500รูปและในขณะเดียวกันเนี่ยสุปิยปริพาชคเนี่ยเป็นพวกภายร้ลัทธิเป็นลทัทธิภายนอกพร้อมด้วยลูกศิษย์ของตนเองแล้วก็บริวัลตนเองเนี่ยคือพรห ม, มทัตตะ มานผู้เป็นอันเตวาสิกก็คือเป็นอาจารย์ได้ยินว่าในระหว่างท่นนั้นสุปิยาปริพาโชคก็กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติเต <illnesses. S 1> ียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์โดยอเนกปริยายคืออาจารย์ก็ตำหนิพระพุทธเจ้าตำหนิพระธรรมแล้วก็ตำหนิพระสงฆ์แบบโดยโดยกว้างขวางโดยปริยายก็คือว่านึกคิดอะไรได้ตำหนิหมดว่าพระพุทธเจ้าไม่ดีอย่างนั้นพระธรรมไม่ดีอย่างนั้นพระสงฆ์ไม่ดีอย่างนั้นเป็นต้นอะไรเนี่ยคือตำหนิ ส่วนพรหมทัตตะมานบที่เป็นอันเทวาสิก ข, ของสุปิยาปริพาชคนั้นกลับกล่าวชื่นชมพระพุทธเจ้าชื่นชมพระธรรมและชื่นชมพระสงฆ์สรุปก็คือว่าสิทธิกาจารยนี่มีความเหมนแตกแยกก็เหมือนคนในยุคนี้นะที่แตกแยกกันในด้านความคิดครอบครัวเดียวกันก็ก็เถียงกันทะเลาะ ก, กั น, นเออไอขัดแย้งกับการแตกแยกในะคนละอย่างกันเนะี่เออต้องทําความเข้าใจให้ดีนะคําว่าขัดแย้งกับแตกแตกแยกเนะ ถ้าแตกแยกเนี่ย dah, มันมันมันมันร้ายแรงกว่าขัดแย้งแต่ถ้าขัดแย้งเนี่ยเขาว่าดีขัดแย้งนี่ดีอย่างที่เคยกล่าวที่บอกว่าในอวัยวะเนียร่างกายของเราเนี่ยมันมีมันตัวขัดแย้งกันอยู่ตลอดเวลาเลยนะแต่ว่าขัดแย้งแล้วมันไปด้วยกันได้ถ้าเรียกอีกอย่างหน lain, ึ่งก็มีมีคนคนหนึ่งก็พูดหน้าคิดนะเขาว่าขัดแย้งเนี่ยจริงๆคือสามัคคีว่ายกตัวอย่างเช่นเท้าขวากับเท้าซ้ายเนี่ย เวลาอีกเท้าหนึ่งยกอีกเท้าหนึ่งย่างเป็นต้นอีกเท้าหนึ่ง <pers es> ก็เหยียบยนันค้ำค้ำประของกันไว้มันขัดแย้งกันในทีนะเนี่แต่การขัดแย้งนั้นนี่มันสําเร็จประโยชน์คือไปถึงจุดหมายปลายทางวัตถุประสงค์เป็นตน้นได้เอออย่างนี้เขาเรียกขัดแย้งทีนี้คนที่อยู่ด้วยกันถ้ามีความขัดแย้งกันเมีการพูดขัดแย้งกันอย่างนี้ดีอีกคนหนึ่งอย่างนี้ดีแต่ในที่สุดจริงๆก็คือไปด้วยกันได้ลักษณะอย่างนี้ก็เรียกสามัคคี ว่าไงเนี่ยแต่ถ้าแตกแยกเนี่ยเช่นขาซ้ายก็จะไปขวาขาขาขวาก็จะไปทางซ้ายสมมุติอย่างเงี้ยมันจะไปกันคนละทางเนี่ยเนี่ยคือมันจะแยกออกจากกันเลยมันจะไม่ไปด้วยกันอย่างนี้ก็เรียกแตกแยกฉะนั้นขัดแย้งไม่เป็นไรก็ถ้าแตกแยกนี้น่ากลัวลูกศิทธิ์อาจารย์เนี่ยเขาขัดแย้งไม่ถึงขนาดแตกแยกสุภิยะปริภาโชคกับพรรมัตต์ ม, ตมานบนี่ยทีนี้อีกคนหนึ่งตีเตียนพระรัตนไตรอีกคนนึงชื่นชมพระรัตนไตรยัย ได้ค่อยคำเป็นค่าศึกกันและกันโดยตรงเช่นี้ยเดินตามพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์เข้าไปข้างหลังลําดับนั้นนะ่ยพระผู้มีพระภาคเจ้าก็เสด็จเข้าไปพักแรมที่ตำหนักหลวงในพร ะ, พ ร, ะรา ช, ารราชาอุทยานอัมพราติกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์คือพระเจ้าก็เข้าพักแม้สุปิยาบริพาชกก็เข้าพักแรมลาตีหนึ่งใกล้ตำหนักหลวงในพระราชาอุทยานอัมพราติกานั้น กับพรหมทตตามานพูเป็นอันเทวสิกก็คือพระพุทธเจ้าไปประทับที่พระราชอุทยานอัมพราติกาพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์สุปิยปริพาชคพร้อมด้วยพรหมตตามานพันเทวสิกและบริวารก็ไปพักที่นั้นเหมือนกันแม้ในที่นั้นน่ยสุปิยปริพาชคก็ยังกล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติเตียนว่าธรรมติเตียนพระสงฆ์โดยอเนกบริยายไม่ใช่ตอนเดินเท่านั้นนะติเตียนนะ แม้นเข้าไปพักก็ตัหนิติเตียนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระริยสงฆ์และในขณะเดียวกันส่วนพระมทัตตามานผููเป็นอันเทวสิก ข, ของสุภิยะปริพาชคก็กล่าวชื่นชมพระพุทธเจ้าชื่นชมพระธรรมแล้วก็ชื่นชมพระริยสงฆ์คือเห็นต่างนะคนนึงเห็นอย่างคนหนึ่งเห็นอย่า ง, ง, อ, างอาจารย์และอันเตวสิกทั้งสองหรือลูกศิษย์ทั้งสองมีถ้อยคําเป็นข้าศึกแก่กันและกันโดยโตรงชนี้เดินตามพระพุทธเจ้า แล้วก็ภิกษุสงไปข้างหลังครั้งนั้นเนี่ะภิกษุทั้งหลายเนี่ยนะหลายรูปเนี่ยลุกขึ้นในเวลาใกล้ลุ่งนั่งประชุมกันนะันลงกรมสนทนากันว่าท่านทั้งหลายเท่าที่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอาจารย์ธรสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบความที่หมู่สัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีนี้น่าสจรย์ไม่เคยมีคือก็ เอาพุทธคุณของพุทธายามาตรึกใช่ไหมแล้วก็เห็นอัธยาศัยของพรนะพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าเนี่ยมีความอัศาจรรย์มากที่พระองค์สามารถที่จะรู้แล้วก็เข้าใจเ h h. ข้าใจทีนี้ว่าทรงรู้หมู่สัตว์ที่มีอัธยาศัยต่างๆพระพุทธเจ้ า, า, าจะรู้เหมือนรู้อธิมุติรู้อัธอยาศัยหรือว่าท่านวันนี้มากไปด้วยโลภัตยาศัยโทสัตยาศัยโมห<ท>ัตยาศัททยอะโลภัธยาศัยอะโทสัตยาศัยอะโมหัตยาศัยวิเวกัตยาศัยเป็นต้นเหล่านี้เนี นิสระณัตทยาสายเป็นตัวเนือรู้ทีนี้ก็บอกว่าหน้าอัศจรรย์ไม่เคยมีบอกว่าไม่เคยมีความจริงสุปิยปริภาชกผู้นี้กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์โดยอเนกปริยายส่วนพระมุัตะมานกเป็นอ um. um. ันเทวาสิกของสุป so ิยปริภาชกเนี่ยกับกล่าวชื่นชมพระพุทธเจ้าชื่นชมพระธรรมแล้วก็ชื่นชมพระสงฆ์โดยอเนกปริยายอาจารย์และศิษย์ทั้งสองมีถ้อยคําที่เป็นค่าศึกแก่การและกันด้วยประการชนนี้แล้วก็เดินตามพระผู้มีภาคเจ้าไปข้างหลัง ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคก็ทรงทราบการสนทนาของภิกษุเหล่านั้นเออพระก็สนทนากันนี่แปลกมากทำไมอาจารย์เห็นอีกอย่างลูกศิษย์เห็นอีกอย่างใช่ไหมอาจารย์ตําหนิพระพุทธเจ้าตําหนิพระธรรมตําหนิพระสงฆ์แต่ว่าลูกศิษย์นั้นชื่นชมพระพุทธเจ้าชื่นชมพระธรรมแล้วก็ชื่นชมพระสงฆ์ลำดับนั้นพระพุทธเจ้าก็ทราบการสนทนาก็เสด็จเข้าไปในโรงกรมประทับนั่งณอาสนะที่ที่ภิกษุจัดถวายขันประทับนั่งแล้วพระผู้มีพระภาคก็ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบัดนี้ เธ อ, อทั้งหลายนั่งประชุมสนทนาเรื่องอะไรกันที่จริงพระพุทธเจ้ารู้เลยนะแต่ก็ถามอันนี้เป็นประเพณีเป็นธรรมเนียมนะถ้าอย่างพวกเราเนี่ยสมมติว่าเรารู้เรื่องอะไรแล้วใช่ไหมล้วก็ไปคุยกับอีกคนนั้นอีกแล้วไปถามเออเนี่ยเมื่อตะกี้เราคุยอะไรกันเนี่ยบางทีเราโดนตําหนิเลยนะรู้แล้วยังมาถามใช่ไหม <c oughs> ที่จริงอย่างเงี้ยแต่แต่อย่างเงี้ยเป็นธรรมเนียมเป็นก็พระภิกษุสงฆ์เหล่านั้นก็กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า พระเจ้าข้าณที่เนี้ยพวกข้าพระองค์ก็ลุกขึ้นในเวลาใกล้ลุกนั่งประชุมกันอยู่ที่โรงกลมเนี่ยสนทนากันว่าท่านทั้งหลายเท่าที่พระผู้มีภาคเจ้าเผู้รู้ผู้เห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงทราบความที่หมู่สัตว์มีอัธยาศัยต่างๆกันได้เป็นอย่างดีน่าสะใจไม่เคยมีความจริงเนี่ยสุภิยะปริภาชคเนี่ยติเตียนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระริยาสงเป็นโดยอันกปริยายส่วนพระมทัตตามนกก็ชื่นชมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระริยสง์เป็น อันนี้ก็เลยอาจารย์กับอันเทวสิกยเนี่ยมีอัธยาศัยที่เป็นค่าสืเกกันและกันด้วยกันอย่างนี้แล้วก็เดินตามหลังพระพุทธเจ้าและภิกษุ ส, สง์ไปข้างหลังคือไม่ใช่ชื่นชมหรือติเตียนแบบเบาๆเนี่ยพูดดังๆเลยแล้วเดินตามไปข้างหลังอะ่ะอาจารย์ก็ตะโกนเหมือนตะโกนด่าตะโกนตาหนิใช่ไ้มพระเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปสนุกสนิทที่ตามมาก็ชื่นชมพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไปพระทั้งก็เดินเฉยกันอยู่แล้วใช่ไหมไม่เหมือนพระสมัยเนี่ย พระภสมัยนี้เดินไปแล้วก็มีคนด่าตามหลังไปจะทำกันยังไงไ่ไหวปแจ้งความกันพระตัว น, นี้โดนด่าไปแจ้งความพระผู้มีพระพ่าก็ตรัสว่าถาตรัสว่าดูก่อนภิสษุทั้งหลายคนเหล่านั้นจะพึงกล่าวติเตียนเราติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทําความอาฆาตไม่ควรโทรมนัตอาฆาตจะเป็นชื่อของโทสะโทมนัตน้อยใจในกลุ่มโทสะทั้งนั้นนะเนี่โทสะอิสามัมาชริยะกุกุจจาทั้งหลาย แค้นใจในคนเหล่านั้นเออก็บอกนะบอกว่าเนี่ยถ้าใครตีเตียนพระพุทธเจ้าตีเตียนพระธรรมตีเตียนพระสงฆ์เออนี่เป็นข้อคิดอย่างดีมากนะยกตัวอย่างเช่นมีอยู่ยุคหนึ่งที่ตาริบันเขาใช้ปืนใหญ่ยิงพระพุทธรูปะที่อาฟกนิฐานเลยนะที่คันดาหา้าที่นะีสมัยก่อนเขาเรียกคันธาราชคันธาราชเป็นเมืองที่พระพุทธเจ้าประกาศพระาศาสนาที่เข้มแข็งมาก แล้วก็เมืองนี้มีพระเกี้ยวแก้วอยู่ด้วยนึนแต่ไม่ทราบว่าพระพระถังซัมจั๋งตอนจ่าลิกที่อินเดียนำพระเกี้ยวแก้วไปประเทศจีนหรือเปล่าเพราะที่ประเทศจีนมีพระเกี้ยวแก้วจริงเขาเลยสันนิษฐานเป็นเมืองพุทธศาสนาที่จเจริญรุ่งเรืองมากแกะภูเขาทั้งโลกเป็นพระพุทธรูปเยอะแยะหมดแล้วก็ในถำ้ำในอะไรต่างๆเนี่ยมีพระไตรปิฎก เป็นอักษรมคตเป็นภาษาเก่าๆ เ, เยอะหมดแล้วก็ถูกอังกฤษนี่เขาขนไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษซะเยอะแยะหมดเลยในพิพิธภัณฑ์ที่ประเทศอังกฤษฉะนั้นเป็นเมืองพุทธศาสนาเจาริญรุ่งเรืองมากที่สุดน้ะเนี่ยเน้นเวลามีคนเ้าตีเตียนพระพุทธเจ้าตีเตียนพระธรรมตีเตียนพระสงฆ์พระพุทธเจ้าบอกว่าเธอทั้งหลายไม่ควรทําความอาฆาตและโทมนัสหรือแค้นใจในคนเหล่านั้นในคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยหลักอย่งน หลักก็คืออยู่ตรงนี้ที่บอกว่าคนจะด่าคนจะว่าคนจะติฉินนินทาอย่างไรก็ไม่ให้อาคาตเขาใช่ไหมอาคาตวัตถุเนี่ยมันมีด้วยกันหลักสิบประการคือบอกว่าที่บอกว่าเกี่ยวกับในเรื่องของความว่าทั้งอดีตปัจจุบันและอนาคตเนี่ยเขาเขากำลังด่าเราเนี่ ย, เ, ยเขากำลังทำความเสียหายให้เราเขาเคยทำความเสียหายให้เราเขาจัดทำความเสียหายให้กับเราเนี่ยเขายาก่ า, า, าเขา คือในส่วนของในในส่วนของเนี่ยในปัจจุบันเหมือนกันคือถ้าบอกว่าเออกรณีอย่างนี้เหมือนกันเออเขาด่าพระพุทธเจ้าของเราก็าติเตียนพระพุทธเจ้าของเราก็ตําตหนิพระธรรมของเราก็ตําตหนิพระสงฆ์ของเราอาดีตก็ดีปัจจุบันก็ดีและอนาคตที่ดีเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าอาฆาตอย่าโทมนัสและอย่าแค้นใจในคนเหล่านั้น <het> ดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนเราอื่นพึ่งกล่าวติเตียนเราติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์ก็ตามถ้าเธอทั้งหลายคุณเครือง จากน้อยใจในคนเหล่านั้นด้วยเหตุนั้นอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายนั่นเลยนี่ชัดเลยนะว่าที่จริงในเวลามีคนมากล่าวติเตียนพระพุทธเจ้าติเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์ถ้าเราไปขุ่นเคืองเราไปน้อยใจเราไปเกิดโทมนัทไปเกิดโทสะไปอาฆาตไปพยาบาทเนี่ยอันตรายพึงมีแก่เธอทั้งหลายนี่แหละไม่ได้ไปมีแก่บุคคลอื่นเลยอ่ะทำไมถึงบอกว่าอันตรายเออในยุคเนี่คนคิดมุมนี้กันไม่ออกในมุมคําสอนของพุทธเจ้าตรงนี้ไม่ออก พอคิดไม่ออกเนี่ยเวลาถูกดา่าถูกตําหนิถูกว่าร้ายก็ตอบโต้ใช่ไหมโต้ตอบตอบกลับไม่ได้แล้วตาต่อตาฟันต่อฟั น, ฟนเลยก็ว่ากันไปเนี่แท้ที่จริงก็คือว่าอันตรายมันเกิดแก่เธอทั้งหลายคือเกิดแก่ภิกษุทั้งหลายภิกษุณีทั้งหลายอุบาสกทั้งหลายอุบาสิกาทั้งหลายนั่นแหละที่ประกาศตนเองว่าเป็นชาวพุทธนั่นแหละว่างั้นเลงเพราะว่าในขณะที่ตนเองไปเกิดความโกรธ เกิดความคุนเครื่องเกิดความน้อยเนื้อต่ําใจตอนนั้นน่ะจิตใจก็เป็นมโนโทุจริตใช่ไหมแสดงออกมาทางกายเป็นกายยทุจริตพูดออกมาเป็นวจีจจวจจโโทุจริตกายยทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตเกิดขึ้นไหมก็ดําเนินชีวิตเป็นไปกับทุจริตสถ้าล่วงพุลุศวาตออกมาต่างๆเหล่านี้ก็เป็นกรรมบททางกายทั้งวาจาและทางจิตใจพอเป็นกรรมบทเป็นอกุศลกรรมบทที่เกิดขึ้นเขาเรียกอกุศลกรรมบทสิบก็จะเกิดขึ้นกับเรา แก่ท่านบูนนั้นหรือมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายมีมิจฉาทิฏฐิเกี่ยวเรื่องความมิจฉผิดมิจฉาสังกปะมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตะมิจฉาอาชีวามิจฉาวายมะมิจฉาสติมิจฉาสมาธิเป็นต้นก็จะเกิดขึ้นแก่ดเธอใช่ไหมเมื่อทําอกุศลกรรมเหล่านั้นนั่นแหละอกุศลกรรมเหล่านั้นจะเป็นอันตรายแกใครก็เป็นอันตรายแก่บุคคลผู้มีจิตใจคุณเครื่องหรือมีความโกรธมีความน้อยเนื้อต่ําใจฉะนั้นตรงเนี้ย เอามาใช้ในชีวิตจริงได้ยังไง ร, รู้ไหมถ้าถูกด่าก็อย่าไปน้อยใจจะคิดยังไงอาอถ้าถูกด่าถูกนินทาถูกว่าร้ายแล้วจะไม่น้อยใจเนี่ยทยํายากไหมถ้าน้อยใจขุนเคืองใจทุกใจทรมานใจเนี่ยกลับกลายเป็นอันตรายแกเราใช่ไหมวิธีคิดที่บอกว่าโอ้การถูกด่าเนี่ยมันเป็นผลมันมาจากเหตุแต่บางคนก็ปฏิเสธว่าเอ๊ะเราไม่เคยว่าเขาแรงขนาดนี้ทําไมเขาถึงว่าเราแรงใช่ไหมยะ ทีนี้เรารู้เฉพาะเหตุในปัจจุบันแต่เราไม่รู้เหตุอดีตเราก็เลยไปเหมาจ่ายว่าไอ้คนคนนี้ใช้ไม่ได้เพราะเราไม่เคยว่าแรงเลยแต่ทําไมเขาตอบโต้เราแรงเหลือเกินในทํานองว่าเออถ้าเราโยนหินใส่เม็ดหนึง่งเขาน่าจะโยนให้เราหนึ่งเม็ดแต่ทําไมก็โยนกลับมาแรงเหลือเกินใช่ไหมอย่าแปลกใจนะที่บอกว่ามีคนคนหนึ่งเมาสุราไปยืนปัสสาวะหน้าบ้านเขาเขาปืนยิงตายโทษคือแค่ปัสสาวะหน้าบ้านเนี่ยไม่น่าจะถึงขนาดถูกยิงตายใช่ไหมใช่ เนี่ยถ้าเราดูเหตุรู้เฉพาะเหตุปัจจุบันมันแค่เนี้ยมองออกใช่ไหมมันไม่เห็นโทษหนักอะไรเลยหรือบางคนไปดา่าคนอื่นแค่ด่าเงี้ยแต่คนอื่นเขาไม่พอใจเขายิงตายเงี้ยแล้วหหุมไม่สมเหตุสมผลเลยใช่ไหมแค่ดา่าแค่นั้นเนี่ยก็ลงโทษกันไปแต่จริงๆด้วยการที่เราไม่รู้เหตุในอดีตว่าเหตุอดีตเนี่ยคนคนนี้ไปทําอะไรไว้อย่างไรเป็นต้นอะไเนี้ย น, นี่ไปเปิดช่องให้อกุศรกรรมมันส่งผลอกุสรกรรมในอดีตได้โอกาสได้จังหวะเลยส่งผลอย่างแรงเลย อย่าแปลกใจนะ ม, นมันเหมือนยังอะไรรู้ไหมเหมือนกับ น, นักโทษเนี่ยนักโทษเนี่ยโอ้ยเขาเขาจ้องกันมานานแต่เขาจับได้โทษไม่หนักเท่าไหร่หรอกแต่เขาว่าเขามีคนข้างในเขาบอกจะติดกุ๊กเล่นในอวมเลยนะอะไรเงี้ยเห็นไหมทั้งทั้งที่โทษก็ไม่ได้หนักอะไรเดี๋ยวเข้าไปทังไงโอ้ยโดนเยอะเพราะไปเปิดช่องตรงนี้ก็เหมือนกันอันตรายทั้งหลายก็จะมีแก่เธอทั้งหลายนั่นแหละดูกราพิกซ์ทั้งหลายคนเราอื่นพึ่งกล่าวติเตียนเราตีเตียนพระธรรมติเตียนพระสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลาย ถ้าเธอทั้งหลายจากักคุนเคืองหรือจักน้อยใจในคนเหล่านั้นเธอทั้งหลายพึงรู้คําที่เป็นสุภาษิตของคนเหล่าอื่นได้แลหรือบอกเออสาบอกถ้าเราไปคุนเคืองเขาเนี่ยเธอทั้งหลายพึงรู้คําที่เป็นสุภาษิตของคนเหล่าอื่นได้แล้วหรือบอกวเออถ้าเราไปคุนเคืง เ, เเเคงเนี่ยเราจะรู้รู้สิ่งที่ดีงามรู้ที่คําที่เป็นคําสุภาษิตของบัณฑิต ท, ทั้งหลายไหมก็บอกพิกูจทั้งหลายก็บอกข้อนั้นหาไม่ได้ไเบญจกถ้าบอกว่า ในขณะที่เราคุนเครืองเนี่ยถามว่าหรือเราโกรธเนี่ยมีคนด่าคนว่าเป็นต้นเหล่านี้ตอนนั้นเราจะนึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ไหมเพราะใจมันปิดแล้วก็ใช่ใชไหมจะนึกถึงคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของพระพุทธเจ้าเป็นต้นที่จะมาระงับดับไม่ได้เลยเพราะตอนนั้นความโกรธมันครอบงําเพราะความโกรธเกิดขึ้นในกระแสจิตของท่านผู้ใดความหลงก็จะปิดทําให้มืดบอดทําให้มองไม่เห็นอัดมองไม่เห็นทำใช่ไหม มองไม่เห็นอัามองไม่เห็นทำใจก็มืดบอดเมื่อจิตใจมืดบอดแล้วสุภาษิตหรือคำสอนทั้งหลายศีล ส, สมาธิปัญญาเมตตากรุณามุทิต า, า, า, ตาอุเบกขาศรัทธาวิริยสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเหล่านี้จะไม่เข้าสู่กระแสจิตแล้วพระผู้มีภาคตรัสว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายคนเราอื่นพึ่งกล่าวติเตียนเราติเตียนว่าตามติเตียนประสงค์ก็ตามในคำที่เขากล่าวติเตียนนั้นคำที่ไม่จริงเธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็น โดยความไม่เป็นจริงว่านั่นไม่จริงแม้เพราะเหตุนี้นั่นไม่แท้แม้เพราะเหตุนี้แม้ข้อนั้นก็ไม่มีในเราทั้งหลายและในเราทั้งหลายก็ไม่มีในข้อนั้นถามแก้ข่าวได้ไม่ได้ชี้แจงได้ไม่ได้แต่ก่อนจะชี้แจงอะไรเนี่ยปรับปรับใจให้เป็นปกติใช่ไหมไม่ขุนเคืองไม่อาฆาตไม่พยาบามก็ชี้แจงแต่มีคนตําหนิเราเนี่ยเวลาเราจะไป ไปตอบโต้ไปแก้ข้อกล่าวหาไปอธิบายเนี่ยตอนนั้นใจเราเป็นปกติหรือยังโดยส่วนมาก <c oughs> โดยมากไม่เป็นปกติเนี่ยไปเราไม่ได้งานนี้ต้องคุยกันให้รู้เรื่องอะไรดูก่อนพิกษุทั้งหลายคนเราอื่นพึ่งกล่าวชมเราชมพระธรรมชมพระญาสงฆ์ก็ตามเธอทั้งหลายไม่ควรทําความเพลิดเ <c oughs> พลินดีใจเ <c oughs> บิกบานใจในคําชมนั้นติเตียนก็ไม่ให้โกรธไม่ให้ขัดเขืองนนะถ้ามีคนชม ถ้ามีคนชมพระพุทธเจ้าชมพระธรรมชมพระสงฆ์ก็ไม่ควรเพื่อดเพลินไม่ควรเบิกบานใจเพื่อดเพลินเบิกบานใจนี่เป็นชื่อของโลภะในคําชมนั้นดูก่อนภิสูจ์ทั้งหลายคนเราอื่นพึ่งกล่าวชมเราชมพระธรรมชมพระสงฆ์ก็ตามแต่เธอทั้งหลายจากเพื่อดเพลินจากดีใจจากเบิกบานใจในชมนั้นอันตรายทั้งหลายจะมีแก่เธอทั้งหลายนั่นเลยเห็นไหมถ้าไปหลงละเริงเพื่อดเพลิน เบิกบานใจเพลินใจดีใจเนี่ยกลับเป็นอันตรายกับตนเองซะอีกทำไมถึงเป็นอันตรายรู้ไหมถ้าไปถ้าไปโกรธถ้าไม่พอใจเป็นเป็นโทมานัตถ้าไปหลงดีใจเพิดเพลินเนบิกบานใจเป็นอภิชาเพราะอภิชาเกิดขึ้นก็คือกลุ่มของโลภะใช่ไหมเพระโลภะเกิดขึ้นเนี่ยโลภะเกิดขึ้นทิฏฐิเกิดขึ้นมานะเกิดขึ้นหูตามม่เยอะเลยเห็นไหมใครก็ก็ชมเรามานั่งเกิดนะ แล้วอที่โชวชมมาแบบเสร็จเนะถ้าเราไม่ระมัดระวังทิฏฐิก็เกิดเนี่ยการกระทําอย่างนี้ใช่แล้วสิ่งที่ตกพ่าเราได้เสียงก้องมากเยอะคนก็ชมเราเยอะนี่เนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าเป็นอันตรายอันตรายก็คือถ้าหากว่าโทกลุ่มโทรสาเกิดขึ้นก็ทุจริตก็ตามมาพรโลภะเกิดขึ้นก็ทุจริตก็ตามมาดูก่อนพิจารณาหลายคนแล้วอื่นจะกล่าวชมเราชมพระธรรมชมพระสงฆ์ในคํำเก่าว ในคําที่เขากล่าวชมนั้นคําที่จริงเธอทั้งหลายควรปฏิญาณให้เขาเห็นตามความเป็นจริงว่านั่นจริงแหมเพราะเหตุนีข้ข้อนั้นแท้แหมเพราะเหตุเหล่านี้แล้แม้ข้อนั้นก็มีในเราทั้งหลายและในในเราทั้งหลายก็มีข้อนั้นคือถ้ามีใครชมปุ๊บเนี่ยถ้ามีสมัยครั้งพุทธกาลนมีคนเขาเชิญชมพระพุทธเจ้าว่าเออพระพุทธเจ้านี่เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ตรัสรู้ชอบได้โดยพระ อ, องค์เองเป็นต้นเหล่านี้นะ ถ้ากล่าวชมอย่างเนี้เออพระพุทธเจ้าไม่ดีใจนะไม่เพลิดเพลินไม่ดีใจไม่เพลิดเพลินไม่หลงระเริงในคําเหล่านั้นแต่พระองค์ก็จะปฏิญญาณตัวเองว่าที่เธอกล่าวมานั้นจริงคุณธรรมเหล่านั้นมีในเราและเรามีคุณธรรมดังที่เธอกล่าวมานั้นจริงนม่กล่าวในลักษณะอย่างเนี้ยถ้าคนคนคนหมดกิเลสเหมือนเหมือนคนอดตัวถ้าคนมีกิเลสเนี่ยเหมือนคนนีออ้อดตัวเองหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่นี่เป็นอย่างนี้ ประการต่อมาก็คือว่าดูก่อนพิกในจุลศีลพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิกตัวทั้งหลายก็ปุตุชนกล่าวชมตถาคตก็กล่าวชมโ ด, ย ป, ดยประการใด น, นั่นมีประการน้อยนักยังต่ำนักเป็นเพียงแค่ศีลดูก่อนพิกตัวทั้งหลายก็ข้อที่ปุตุชน์กล่าวชมตถาคตก็กล่าวเพียงศีลเป็นเช่ไหนคือพระพุทธเจ้าบอกเย็นดันเลยถ้าเป็นปุตุชนกช์กล่าวชมพระพุทธเจ้าเนี่ยก็กล่าวได้เรื่องแค่ศีลนะถ้ากล่าวชมเรื่องศีลก็กล่าวในเรื่องหนาศีลว่าดูก่อนพิกตัวทั้งหลายอีกอย่างหนึ่งปุตุชน์กล่าวชมตถาคตก็กก่่่าาาววชมออยงนี้บ ออพระสมนาโคดมละการฆ่าสัตว์เว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นวางวันทะเว้นศาสตรามีความละอายมีใจเอ็นดูมีกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลแก่กสัตว์ทั้งหลายอยู่ท่านทพุทธชนเนี่ยชื่นชมพระพุทธเจ้าเราจะชื่นชมในลักษณะอย่างนี้นเป็นต้นนะอันนี้อันนี้ยังจะไม่กล่าวในรายละเอียดแต่พูดตรงนี้เป็นการสรุปให้เห็นว่าในบุคคลอื่นถ้าจะกล่าวชื่นชมพระพุทธเจ้าชื่นชมพระธรรมชื่นชมพระสงฆ์เป็นต้นเนี่ยนะหรือกล่าวชื่นชม บุตรชนกล่าวชมพระพุทธเจ้าก็กล่าวโดยประการใดนั้นมีประการมากน้อยนักยังต่ำนักเป็นเพียงศีลดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็ข้อที่บุตรชนกล่าวชมแต่ถาคตเพียงศีนเท่านั้นเป็นไฉนเป็นต้นก็กล่าวในเรื่องของเว้นจากการลากักฆ่าเว้นจากการลากักเว้นจากการประพฤติผิดในการเป็นต้นเหล่านี้ยกล่าวเช่นชมก็เช่นชมในลักษณะได้ได้แค่อย่างนี้เป็นต้นเห่านี้เน่ยอันนั้นเป็นเป็นประเด็นที่ที่ในรายละเอียดค่อนข้างที่จะต้องมาศึกษากันเป็นไปตามลําดับแต่ว่า ต้องการอยากจะให้รู้ในที่พระพุทธเจ้าตรัสตรงเนี้ก็คือว่าปุตุชนเนี่ยเวลาชมปุตุชนเนี่ยก็ชมเหมือนปุตุชนที่เขาชมคําว่าชมเหมือนปุตุชนที่เขาชมก็คือว่าชื่นชมได้ก็ชื่นชมเฉพาะจุลศีลบ้างมัชิมศีนบ้า ง, ม, ม, างมหาศีลบ้างเป็นต้นเหล่าเนี้ยตรงนี้ก็คือว่าดูโครงสร้างตรงนี้เล็กน้อยก่อนที่จะไปก่อนที่จะไปดูในรายละเอียดที่จริงก็คือ ที่แรกก็ว่าจะกล่าวโครงสร้างทั้งหมดก่อนอะไรต่างๆเราเนี่ยนะแต่ก็ดูตรงนี้ก็แล้วกันบอกว่าออโครงสร้างของพระไตรปิฎกเนี่ยเขาจะมีอยู่สามส่วนในพมชาลสูตรนี่นะคือท่านจัดเป็นส่วนใหญ่ๆไว้สามส่วนสามส่วนก็คือส่วนที่หนึ่งเขาเรียกนิทานส่วนที่หนึ่งเรียกนิทานนะหรือนิทานส่วนที่สองเรียกว่าเทศนาส่วนที่สามเรียกว่านิคมคําว่านิทานหรือ อัดถูปาฏิคําว่านิทานในที่นั้นก็แปลว่าความแสดงเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการแสดงพระสูตรนี้คือด้วยเหตุการณ์ที่เล่ามาเนี่ยเป็นเป็นนิทานนะทำวันนิทานเนี่ยเขแปลว่า th เป็นเหตุการณ์ก่อนที่จะมีการแสดงพระสูตรก่อนที่พระเจ้าจะแสดงพรหมชาลาสูตรก็ต้องมีนิทานมีเหตุการณ์มีเรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อกี้เล่าไว้แล้วใช่ไหมเรื่องราวเกิดขึ้นก็คือเริ่มตั้งแต่การดําเนินทางไกลของพระผู้มีภระภาพคพร้อมด้วยภิกษุสงห้าร้ที่ ที่สุปิยาบริพาชคตีเตียนพระรัตนไตรยัยและการกล่าวสรรเสริญพระรัตนไตรัยของพรหมทัตตามานผู้เป็นสิทธ์ของบริพาชนั้นน่ยอันนี้คลิกนิทานนะการประทับแรมอยู่ที่อุทยานอัมพรัติกาตลอดถึงการพูดตีเตียนสรรเสริญพระรัตนไตรัยโดยไม่ยอมหยุดของปริพาชกทั้งสิทธิทั้งอาจารย์นั่งการนั่งสนทนากันในระหว่างใกล้ลุ่มของภิกษุสงฆ์ที่เกี่ยวกับเรื่องการตีเตียนเกี่ยวกับสรรเสริญนั้น หรือการเสด็จมาเตือนสติของภิกษุสงไม่ให้หลงยินดียินร้ายและแนะนําให้รู้จักชี้แจงเหตุผลด้วยสติและปัญญาอันนี้ทานซึ่งเป็นส่วนต้นของพระสูตรเนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่แสดงให้ทราบถึงข้อมูลหรือให้ทราบถึงภูมิหลังของการแสดงพระธรรมเทศนาซึ่งจะช่วยให้ผู้ศึกษาพระไตรปิฎกเนี่ยนะศึกษาคําสอนของพระเจ้าเกิดความเข้าใจสามารถที่จะเชื่อมโยงเหตุการณ์บุคคลสถานที่เทศนาและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องได้ นั้นการที่พระสูตรนี้มีนิทานย่อมช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือแก่พระธรรมเทศนานี้โดยตรงนิลักษณะนี้เขาเรียกนิทานนะถ้าศึกษาพระสูตรจะมีส่วนแรกก่อนคือนิทานไม่ใช่อยู่ๆก็คือว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายแล้วไม่ใช่หรอกอยู่ๆก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นก่อนถ้าไ ม, ม่อย่างนี้ยพอมีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นเส็เสร็จแล้วเหตุการณ์ในนิทานนะมีอยู่หนึ่งพุทธเจ้าโดยภิกษุสงฆ์เดชจาลิก แล้วก็ลูกศิษย์อาจารย์ตีเตียนพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตามลำดับแล้วเข้าไปนั่งอยู่ก็ยังตีเตียนไม่ยอมหยุดแล้วพระเจ้าก็สอนให้วางใจยังไงไม่ให้เกิดโทมานาทยังไงไม่ให้เกิดอภิชาคือยินดีอย่างไรแล้วต่อมาตอนเช้าพระก็ยังนั่ ง, นงสนทนากันอยู่ใช่ไหมที่ลานยงกรมเป็นต้นอะไรเนี้ยพระเจ้าก็เสด็จมามามามา ม, า ม, า ม, ามาตือนให้เล่ความแล้วให้ใช้ใช้สติปัญญาในการที่จะแก้ไขยังไงเป็นต้นส่วนที่สองคือเทศนาพระพุทธองค์ก็เริ่ม เริ่มแสดงส่วนที่เป็นเทศนาหรือเนื้อหาของหลักสูตรนี้หรือพระสูตรเนี่ยโดยเน้นไปถึงวิธีการรับมือคําตีดเตียนและคํายกย่ อ, องสรรเสริญแล้วก็ห้ามห้ามภิกษุไม่ให้เกิดความยินดีหรือหลงระเริงยินดีในคนาําสรรเสริญและไม่ให้เสียใจน้อยใจหรือโผกโกรธในคําตีดเตียนเพราะการมีจิตใจที่ไม่มั่นคงในลักษณะเช่นนี้จะทําให้ภิกษุไม่รู้ซึ่งถึงความจริงและไม่สามารถจะแยกแยะได้ว่าคําไหนดีไม่ดี ก็จะเกิดอันตรายต่อตนเองด้วยใช่ไหมพี่ผู้ได้จ้าก็อันนี้เขาเรียกว่าส่วนของเทศนาทีนี้แล้วก็บอกว่าหน้าที่ภิกษุที่ควรกระทําถ้ามีผู้ติเตียนพระรัตนตรยัยก็คือจงพยายามชี้แจงเหตุผลแสดงข้อเท็จจริงให้ปรากฏหากมัวแต่ไปโกรธเคืองหรือแค้นเนี่ยนะก็จะเป็นอันตรายอันตรายยิกระทำได้หรือแม้แต่ในกรณีของการสรรเสริญก็เช่นเดียวกันหากมัวหลงระเริงดีใจติดใจพุ่งซ่าน ก็จะไม่มีสมาธิก็เป็นเหตุให้หลุดพ้นจากวงโคจรของฌานมากผลเป็นต้นเหล่าเนี่ยโดยสรุปตรงนี้ก็คือว่าพระพุทธองค์นั้นมีพระประสงค์ให้ภิกษุเฝ้าระวังความยินดีก็คือให้ระวังตัณหา ย, ยินดีนี่เป็นคือชื่อของตัณหานีและความโกรธเคืองความยินร้ายก็ได้แก่โทสะรวมถึงอากุศลธรรมทั้งปวงที่เอาอะไรเป็นตัวกันเอาสติและสัมปชัญญะหรือสติปัญญาเป็นต้นแล้วก็ชี้ให้เห็นว่า ศัตรูที่แท้จริงของเราคือบาปอากุศลทั้งหลายที่ปรากฏคนอื่นใครเล่าจะมาทำลายเราได้จะบอกว่าอะไรนะเหล็กสนิมเกิดที่เหล็กก็กัดก่อนเหล็กให้ผูกกร่อนกิเลสถ้าเกิดขึ้นในจิตใจของท่านผู้ใดก็ทำลายจิตใจหรือขันของท่านผู้นั้นตรงนี้นะแล้ว ทรั้งแสดงทำที่เป็นอันตรายแก่ตนเองแล้วก็มีพระประสงค์ที่จะเชื่อมโยงคําสรรเสริญของพระมทธา ต, ตามานบทรงสแสดงจุลศีลเป็นต้นข้อความตอนที่ว่าด้วยจุลศีลก็มีความเกี่ยวข้องกับการสรรเสริญในฐานะเนื้อหาสาระที่พระองค์ทรงนํามากล่าวสรรเสริญเขาบอกว่าเท่าที่ปุตุชนสามัญทั่วไปจะสามารถกระทําได้เพราะอะไรเพราะปุตุชนนั้นเป็นบุคคลที่มีกิเลสหนามีปัญญาไม่ละเอียดอ่อนมีปัญญาหยาบ ไม่เหมือนกับพระริยเจ้าดังนั้นจึงสามารถยกย่องสารเสริญพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ด้วยคุณธรรมเล็กๆน้อยๆเท่านั้นเช่นสารเสริญว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนดีไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่เสพเมถุนไม่พูดมุสาเป็นคนพูดจริงหนักแน่นเป็นคนที่ไม่หลอกลวงผู้อื่นเนี่ยเวลาผุุ้ชนสารเสริญพทะเจ้าก็สารเสริญได้เพียงแค่นี้จูราสีนั่นเป็นการแสดงโดยย่อด้ยเหตุข้อความแบบสั้น แกนั้นบราณอาจารย์เรียกจุลศีนว่ามีความหมายว่าเป็นศีลปฏิสังยุตตะจุลเทศนาเป็นเทศนาอันมีเนื้อหาสั้นๆว่าโดยการสรรเสริญพระพุทธองค์ในด้านของความเป็นผู้มีศีลอันนี้เป็นคําสรรเสริญที่ยังไม่ไม่คู่ควรกับฐานะความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแม้แต่น้อยเห็นไหมว่าเวลาพุทธชนสรรเสริญพระเจ้าเอาจุลศีนมาสรรเสริญพระองค์เนี่ย ถามว่าคู่ควรไหมอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าไปสรรเสริญพระราชาหมากษัตริย์โอดีนาะเนี่ยใช่ไหมพระองค์ท่านอดทนนะเนี่ ย, ยเหมือนพวกเราก็อดทนเหมือนสูงว่าเนี้ยเออเหมือนอดทนเนี่ยคือคือคุณธรรมของเขามีร้อยหนึง่งเราไปสรรเสริญสักสิบหนึ่งเนี่ยมีร้อยเอร์็นเนี่ยสรรเสริญแค่สิบเนี่ยผู้ชนสรรเสริญพระเจ้า ก, ก็สรรเสริญได้เพียงแค่เนี้ยไม่เต็มอันนี้เหตุที่ไม่เต็มเพราะปัญ ญ, ญาไงประการต่อมาคืออันนี้สรุปตรงนี้ก่อนก็คือว่า มัชมศีนมาจากคำภาษีลปฏิสังยุตต์มัชมเทศนาเทศนานมีเนื้อหาปานกลางว่าโดยการสรรเสริญพระเจ้าในด้านความเป็นผู้มีศีลทีนี้พระธรรมเทศนาตอนที่ตอนที่เรียกมัชมัชมศีลคือในช่วงกลางก็คือว่ามีความต่อเนื่องจากจุลศีนในฐานะเป็นข้อความพิสดารกว่ากว่ายุลศีลเป็นการนำเอาศีลสิกขาซึ่งแสดงไว้โดยย่อมาขยายโดยรายละเอียด ว่าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าทรงยกกรณีตัวอย่างที่ปุรุชนในสมัยนั้นติเตียนสมณะและพราม์ผูดซึ่งปฏิญญาตนว่าเป็นผู้สารเสวนแต่กลับทําตัวเหมือนกับชาวบ้านเช่นตัดไม้ทําลายป่าและได้สารเสวนพระพุทธองค์ในลักษณะที่ตรงกันข้ามก็นในเรื่องของการละเว้นจากการตัดไม้ทําลายสิ่งแวดล้อมเป็นต้นเราเนี่ยนะ น, นั้นก็ปุรุชนก็สารเสริญพุทธอประการต่อมาคือมหาศีลที่เรียกว่าศีลปฏิสังยุตตามหาเทสนาเทศนามีเนื้อความยาว โดยการยกย่องพระเจ้าในด้านความเป็นผู้มีศีลเป็นธรรมเทศนาที่ขยายจุลศีลเพิ่มจากมัชิมศีลประกอบไปด้วยเนื้อหาที่เกี่ยวกับเดรัจฉานกระถาเป็นต้นเหล่าเนี้ยเกี่ยวกับวิชาต่างๆที่ขัดขวางต่อการที่จะบรรลุมรรคผลเป็นต้นอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเนื้อความตรงนั้นที่ส่วนในรายละเอียดต่างๆยังยังยังจะไม่กล่าวก็ปร่กาศตรงนี้แล้วเดี๋ยว เ, เดี๋ยวเอาตรงนี้หน่อยที่นการสริเสริญศีลสามตอนเนี่ย สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาและความตกต่ําของสมณะและของศาสนาอื่นๆในยุคนั้นเมื่อพุทธศาสนาได้รับการศรัทธาจากประชาชนมากขึ้นพวกศาสดาเหล่าอื่นก็หมดอำนาจหมดบารมีจึงทําให้สุปริยปลิภาชกเดือดแค้นต่อพระรัตนตรัยและก็เทศนาของพระศาสดาจึงได้ติเตียนพระรัตนตรัยอย่างมีอาฆติและ แลความลิสยาและพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงให้เห็นว่าปุตุชนยังมียานไม่เพียงพอที่จะสามารถสรรเสริญคุณของพระพุทธเจ้าได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เป็นคุณของพระสัพพัญญุตญาณซึ่งมีความลึกซึ่งมีความสุขุมค่เมียภาพมากเป็นธรรมชาติที่มีเพียงพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะสามารถรู้แจ้งแทงตลอดได้การสารรเสริญพระพุทธองค์ในด้านความเป็นบุคคลผู้ทรงศีลจึงเป็นคำสรรเสริญที่ไม่คู่ควรไม่มีความพิเศษ เป็นเพียงการสรรเสริญคุณธรรมเล็กน้อยมิใช่คุณธรรมที่พระองค์ทรงแลกมาด้วยการบำเพ็ญบา ร, รมีเสียสงไข้ด้วยแสนกับเห็นไหมว่าพระเจ้าบำเพ็ญบา ร, รมีมาเสียสงไข่แสนกลับเนี่ยแต่มีคนมาชื่นชมเพียงแค่นี้พระเจ้าจึงบอกว่าจริงๆเนี่ยสิ่งเหล่านี้จึงไม่ควรที่จะไปเป็นควรที่จะปีติยินดีอะไรใช่ไหมให้สังเกตดูนะตอนที่พระพุทธเจ้าวีใครไปชื่นชมพระเจ้าเนี่ยไม่มีเลยในะที่พระเจ้าจะชื่นชมยินดีคําชื่นชม แต่ถ้ามีพระพุทธเจ้าต่อพระพุทธเจ้าเข้าใจใช่ไหมคนธทําระดับเดียวกันมาชื่นชมพระพุทธเจ้าด้วยกันพระพเจ้าถึงจะค่อนข้างจะปีติเอถ้าของอย่างนี้สมมตินะี่มีคนเอาของว่าเอาเอาเอาแว่นซึ่งเรามีดีกว่าเนี้ยเขาบอกว่าเอามาให้เขาเขามองธรรมดาของไม่ประเสริฐแต่ถ้าเป็นของที่มันระดับเดียวที่เขาใช้แล้วมันดีกว่านั้นด้วยอะไรด้วยเนี่ยเขาเขาปีติยินดีได้ ฉันกรณีที่ไปเช่นชมพระพุทธเจ้าจะให้พระ พ, พุทธองค์เกิดปีติเกิดสมนั้นไม่แต่ถ้าพระพุทธเจ้าพิจารณาปัจจยาการเป็นต้นพิจารณาเอพิจารณาประฐานตอนที่พิจารณาอภิธรรมอิโดกพอพิจารณาพิเออวินัยปีดกพระสุตตันตปิดกก็ไม่เท่าไหาาร่เพราะพิจารณาอภิธรรมอิโดกโดยเฉพาะพิจารณาปะฐานเหตุตุปปัจโย ο, รมะนาปัจโยติปติปัจโยเป็นต้นเนี่ยฉับพรนนลังสีของพระองค์นี่แผลปีติเกิด เพราะว่าในพิจารณาที่กว้างขวางลึกซึ้งใช่ไหมนี่เป็นนี้ทีนี้ตัวอย่างการตีเตียนสมณพราหมณ์และการสรรเสริญพระพุทธองค์ด้วยคุณธรรมเก่าวคือศีลที่ปุถุชนนํามาเปรียบเทียบเนี่ยเท่ากับเป็นการนําพระพุทธองค์ผู้ทรงเป็นเสมือนดวงอาทิตย์ไปเปรียบเทียบกันกับสมณพราหมณ์ผู้เป็นดุจหิ่งห้อยนะอย่างนี้มองเห็นชัดเลยคือแม้แสงพาทิตย์เนี่ยกว้างใหญ่ไพศาลขนาดไหนแต่คนกลับไปสรรเสริญแสงของหิ่งห้อยว่าเออพระพุทธเจ้าเนี่ย อุปามาเหมือนแสงหิ่งห้อยอย่างงี้ซึ่งแม้จะเป็นการสรรเสริญพระพุทธองค์และติเตียนสมถานแต่ก็ชื่อว่ายังไม่ถูกต้องและยังไม่คู่ควรกับคุณธรรมที่พระผู้มีพระภาคมีด้วยว่าคุณธรรมล้ำเลิศที่พระพุทธองค์มีนั้นน่ะได้แก่สัพพัญยุตยานซึ่งเป็นพุทธคุณอันประเสริฐแล้วก็ล้ำเลิศล่วงพ้นวิสัยของปุถุชนคนธรรมดาเป็นพยานที่ยกพระพุทธองค์ให้ทรงอยู่เหนือศาสตราทั้งปวงในโลก ฉะนั้นผู้ที่จะรู้ถึงซึ่งถึงพยานอันประเสริฐนี้ได้จริงๆนั้นก็จะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยกันเท่านั้นด้วยเหตุเนี่ยภายหลังจากที่พุทธองค์ทรงสแสดงตัวอย่างการสรรเสริญด้วยศีลทั้งจุลศีลมัชิมศีลมหาศีลแล้วเนี่ยก็ทรงมีพระประสงค์จ ะ, สะแสดงคุณธรรมที่เหมาะสมต่อการนำมาสรรเสริญพุทธเจ้าก็ตรัสว่าอาัติพิกเวอันเยว่าธรรมมาเป็นต้น เรื่มีเนื้อความซับซ้อนระหว่างสรพพยุติยา น, นันเป็นคุณธรรมพุทธองค์ที่สงได้เน้นเนื้อหาสาระเป็นต้นอหล่านี้แล้วพระองค์ก็แสดงกลุ่มมิจฉาทิฏฐิทั้งหลายเป็นตน้สนส่วนรายละเอยียดต่างๆก็จะเก็บมาอันนี้เป็นการเป็นการผูกโยงเล่าเชื่อมโยงว่าเออเราจะได้เข้าใจว่าทําไมพระเจ้าไม่ให้ชื่นชมแล้วก็ยินดียินร้ายกับเสียงสรรเสริญแล้วก็เสียงดินทาเป็นตน้นทีนี้พอกล่าวสาระของ ของพระสูตรนี้ไปได้บ้างแล้วก็จะดูในสมังคละวิลาสินีอัตกถาคือการศึกษาพระไตรปิดกเนี่ยหนึ่งเราดูจากพุทธพจ์เบ็ดเสร็จแล้วก็ต้องดูในอัตกถาสมังคะละวิลาสีอัตกถาเนี่ยท่านพระพุทธโคศอาจารย์ท่านแต่งแต่งอัถถาที่บายทีขนิกายทีขนิกายมยจากสมังคะละวิลาสินีอัตกถาก็แปลท่านก่อนที่ท่านจะเขียนคัมภีร์นี้มาขยายพระสูตรในพรมชาลาสูตรนี้ท่านก็นอบน้อม ท่านกล่าวคนนี้ท่านบอกว่าข้าพเจ้าขอนมัสการด้วยเสียงเก้าวซึ่งพระสุคตผู้พ้นจากคติพราะบอกว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมขอนมัสการด้วยเสียงเก้าซึ่งพระสุคตผู้พ้นจากคติตรงนี้ต้องขยายเอสารสวนพุทเจ้าว่าพุทเจ้าพ้นจากอะไรพ้นจากนิริยคติคือการเกิดเป็นสัตว์นรกพ้นจากเปรตทิคติคือพ้นจากการเกิดเป็นเปรตเป็นต้นพ้นจากติระฉานในคติคือการเป็นสัตว์เดรฉาน พ้นจากมนุสยาคติหรือมนุสสักคติพ้นจากการเป็นมนุษย์และก็เทวคติพ้นจากเป็นเทวดาและพรหมฉะนั้นเวลาท่านผู้นั้นสรรเสริญพระพุทธเจ้าเนี่ยเออไม่ใช่ท่านพระอัตถคตาจารย์เนี่ยท่านพระอัตถคตาจาร์ท่านสรรเสริญพระพุทธเจ้าบอกว่าพระพุทธเจ้านี่พ้นแล้วพ้นจากการเกิดเป็นสัตว์นรกจากการพ้นจากการเกิดเป็นเป็ดพ้นจากการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานพ้นจากการเกิดเป็นมนุษย์พ้นจากการเกิดเป็นเทวดาและเป็นพรหมอย่างนี้แหละเขาเรียกพระสุคต พระสุคตผู้พ้นคติไม่มีคติไม่มีที่ไปแล้วไม่มีที่ไปแล้วมีพระไทยเยือกเย็นด้วยพระกรุณาเห็นพระเจ้ า, ามีพระกรุณาเนี่ยเขาเรียกพระมหากรุณาธิคุณเยือกเย็นด้วยพระมหากรุณาธิคุณมีมืดคือโมหะอันดวงประทิวคือปัญญาขจัดแล้วบอกโมหะนี่นะความหลงความไม่รู้ความไม่เข้าใจในสภาวธรรมตามความเป็นจริงเป็นต้นเหล่านี้พระองค์ขจัดด้วยได้แล้วด้วยปัญญาในอรหัตมรัก ทรงเป็นครูของโลกพร้อมทั้งมนุษย์และเทวดาสัตถาเทวมนุษย์สารหนังพระเจ้านี่เป็นครูเนีเป็นครูของของโลกคือของมนุษย์และเทวดาของพรหมทั้งหมดเนี่ยพระเจ้าเป็นอยู่ในฐานะเป็นครูครูในที่นั้นเขาเรียกเป็นบรมครูเป็นบรมครูบอกโอ้โหเป็นครูของเทวดาและมนุษย์ ก็พระผู้มีพ่อพระพุทธเจ้าทรงอบรมและทรงทําให้แจ้งซึ่งความเป็นพระพุทธเจ้าทรงบรรลุพระธรรมใดที่ปราศจากมวลทินข้าพเจ้านมัสการด้วยเสียงก้าซึ่งพระธรรมอันยอดเยี่ยมนั้นตอนนี้นมัสกา ร, รพระธระรมพระพุทธเจ้าบรรลุอะไรพระพุทธเจ้าบรรลุธรรมใดบอกทรงกระทําให้แจ้งซึ่งความเป็นพระพุทธเจ้าทรงบรรลุธรรมใดที่ปราศจากมวลทินก็บรรลุโลกุตละธรรมคือบรรลุพระนิพพานใช่ไหมผู้โตองนี่ได้ผ่านโสดาปฏิมา ผลสกาทาคามีมากผลอนาคตามัมกผลอ่านและมักผลแล้วก็ได้สัพพญยุตยานก็ได้บรรลุพระนิพพานก็คือว่าท่านเคารพอะไรท่านเคารพมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งโรกุตระธรรม9ตามที่ธรรมะที่พระเจ้ทาทรงบรรลุแล้วก็คือเคารพพระปริยติธรรมคือพระธรรมคือคําสอนของพระเจ้ทาที่บอกกล่าวมา45่รรษาหนึ่งเคารพพระพุทธเจ้าสองเคารพพระธรรม ข้าพเจ้าขอนมัสการด้วยเสียงเก้าซึ่งพระอริยสงฆ์หมู่โอรสของพระสุคตเจ้าผู้ย่ำยีรองทับมานนี่ท่านเคารพพระอริยสงฆ์ใช่ไหมพระอริยสงฆ์ก็คือเป็นหมู่โอรสก็ผู้เกิดแต่อกเกิดแต่เกิดจากอุระของพระผู้มีพระภาควันก่อนมีคนก็ถามบอกว่าถามท่านผู้หนึ่งเนี่ยเป็นอาจารย์เขาถามบอกว่า เ, ออเขาเก่งทางด้านประวัติศาสตร์เ อ, อ้ท่านอาจารย์ครับเขถามเนี่ยนะเออประเทศไทยเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเสด็จมาไหมตามท่านตอบดีนะท่านบอกอ๋อในส่วนของรู ป, ปรกายเนี่ยไม่ไม่เคยพบในพระไตรปิฎกแต่นี้ทำในนามกายในธรรมกายเนี่ยนะเพราะงั้นในด้านของธรรมกายกล่าวคือโรกุตระธรรมนี่ท่านก็ปรากฏอยพวกโยทำมังพสติโสมังปสติสตผูดได้เห็นธรรมบุญนั้นเห็นเรา <c oughs> คือใครได้บรรลุ กายได้เป็นโลมาผลนิพพานก็คือได้เห็นพระพุทธเจ้าด้วยจากนั้นโดยโดยธรรมกายเนี่ยนะกาธรรมกายในที่นั้นเป็นชื่อของโลกุตละธรรมนะนี่ไม่ใช่ธรรมกายที่เปชื่อว่าที่ตั้งกันอยู่นั่นก็เรื่องเลงธรรมกายในที่นั้นเป็นชื่อของมรซีผลซีนิพพานหนึ่งนั่นแหละธรรมกายกายกายในของพระพุทธเจ้าแต่กายที่เขาดูกันในดูลูกแกว้วเพล่อกายกันนั้นไม่ใช่กายพุทธเจ้านั้นถว่าโดยสาระตรงนี้ก็คือพระเจ้าเสเด็จอยู่ ถ้าหากใจของท่านผู้ใดสัมผัสโลกุตละธรรมได้เห็นวันิพานสแสดงว่าพระเจ้าประทับอยู่ในใจของท่านผู้นั้นแล้วเงี้ยไม่นี่จริงนะใช่ไหมพวกเราตั้งอัธยาศัยกันไว้ไหมว่าให้พระเจ้าประทับอยู่ในกระแสใจเราได้เมื่อไรก็โผก็ถ้ายังไม่ได้ถึงโลกุตละธรรมก็น้อมหาก่อนใช่ไหมน้อมหาแล้วก็ตั้งอัธยาศัยไม่ใช่คือหมายความว่าท่านแต่งพระพุทธโคสาจารย์นี เกิดในยุคลังกาท่านเป็นชาวท่านเป็นชาวอินเดียแล้วก็ต่อมาท่านแตกฉานในภาษามาคคท่านแตกฉานมากและต่อมาก็คือตอนนั้นพุทธศาสนาจเจริญ ง, งอกงามในลังกาทวีปในประเทศลังกามากท่านก็เลยลงเรือจะมาแปลอ่พระไตรปิฎกจากภาษาสิงห์หนกับไปเป็นภาษามาคคอย่างเดิม ท่านก็เดินทางมาฉะนั้นพอท่านเดินทางมาเบีเสร็จแล้วท่านก็มาเริ่มที่แรกจริงๆก็คือคัมภีรแรกๆต้นๆที่ท่านมาเขียนก็คือว่าัมพีวิสุทธิมรรคใช่ไหมแล้วท่านก็เริ่มมาเขียนเนี่ยไอ้อัตกถาอธิบายพระสูตรท่า น, นเกิดยุคหลังหลังหลังพุทธบริษัทผานแล้วอันนี้หมายถึงผ้าอัตกถาทีนี้ท่านก่อนที่ท่านจะแต่งคมภีร์อธิบายความตามเนื้อของพุทธพจน์เนี่ยจะขยายความพุทธพจน์เนี่ยท่านก็นอบนอบ้อม ว่าเออตั้งอัธยาศัยตั้งปฏิญญาเขอความนอบน้อมบอกว่าข้าพเจ้าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นต้นขออนอบน้อมพระธรรมและภาริยาสงฆ์เป็นต้นอะไรนี้บุญอันใดที่สําเร็จด้วยการไหว้พระรัตนตรัยมีอยู่แก่ข้าพเจ้าผู้มีใจเลื่อมใสขอข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีอันตรายอันอนุภาพแห่งบุญนั้นขจัดราบคาบแล้วด้วยประการดังนี้ไม่ใช่ขอให้มีอันตรายนะบอกขอให้ข้าพเจ้า จงเป็นผู้มีอันตรายอันอนุภาพแห่งบุญนั้นขจัดราบคาบด้วยประการดังนี้คืออันตรายของคนมีมีด้วยกันดังนั้นใช่ไหมแต่พราบุญจากการไหว้นบพระรัตนตรัยต่อไปอันตรายทั้งหลายที่จะมาขัดขวางในการที่จะทําให้แต่งกัมพีอธิบายพุทธพจน์เกี่ยวกับในเรื่องของสุขร่างกายทั้งหลายเกี่ยวเรื่องของสุขภาพหรือโครคภัยไข้เจ็บต่างๆแล้วก็อุปสรรคพยานอันตรายภายนอกทั้งหลายนะ่ยจงจงดับหายไปก่อนนะว่างั้นนะ ด้วยกระแสจิตของข้าพเจ้าที่มีศรัทธาเลื่อมใสในคุณของพระรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยอย่าลืมนะว่ากระแสใจเนี่ยที่กล่าวนอบน้อมต่อพระรัตนตรัยเนี่ยกระแสบุญที่เกิดขึ้นนั้นนะหาประมาณไม่ได้นั่นเมื่อตั้งศรัทธาไว้ในพระรัตนตรัยใช่ไหมเหมือนเรากล่าววันนะโมตัสสะพระกวาโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะเนี่ยปนามาเจตนาคือเจตนาในการที่จะกล่าวนอบน้อมเนี่ย วจีกรรมที่จะออกมาได้นะคำพูดที่จะออกเป่งวาจาออกมาได้นั้นขับเคลื่อนอย่างอะไรขับเคลื่อนจากมหากุศลนั้นเจตนาที่ในมหากรุสุนต่างหากที่ตั้งกระแสจิตนอบน้อมเป็นปัจจัยเกิดศรัทธาใช่ไหมฉะนั้นไอ้มนมปนามาเจตนาแล้วเนี่ยมี ม, มีปนามาเจตนาคือการกล่าววาจาออกมานั้นมีอะไรเป็นสมุทฐานบมีมหากุศลมายิ่งมีปัญญาประกอบด้วยเนี่ยเป็นมหากุสุานาณหนสมบูรณ์นะ เป็นตัวขับเคลื่อนทําให้มีการกล่าวมีการเป่งวาจาออกมาเนี่ยด้วยจิตที่มีความนอบน้อมเป็นต้นนั้นตรงนั้นน่ะมหากรุรุสธรรมนั้นมีอะไรเราเป็นอัธยาศัยเออเป็นปัจจัยบอกมีโยนิโสมนสิกานอ๋อความเป็นผู้ฉลาดคิดนั่นเองจึงเป็นปัจจัยให้การเป่งวาจานอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมพระธรรมนอบน้อมพระริยสง์ออกมานั้นความเป็นผู้ฉลาดคิดที่นี้ทําไมท่านคนนี้จึงฉลาดคิดอ๋อฟังวัสดธรรม ผลจากการฟังพระสัทธรรมผลผลจากการศึกษาพระสัตรทธรรมของพระพุทธเจ้าเหตุที่เขาฟังสัตทธรรมของพุทธเจ้าได้เพราะอะไรพอการคบสัตว์บุรุษเขาครบพระพุทธเจ้าสาวโของพุทธเจ้าโอท่านอยู่ในถิ่นที่สมควรเหมนเป็นปจัจจัยการอยู่ในถิ่นสมควรมาจากปุเพกตะพุญญาได้ไหมพระพุทธโคสาจารย์เป็นต้นเนี่ยบุญเก่าท่านทำมาดีท่านจึงมาเกิดในถิ่นที่มีพระพุทธศาสนาในยุคนั้นตอนนั้นาศาสนาเริ่มจะมีอุปสรรคอันตรายมากแล้วเนี่ย แล้วต่อมาท่านก็ได้คบสัตว์ุรุษมีสาวกของพุทธเจ้าครบพระพุทธเจ้าเป็นต้นคาสอนแล้วท่านฟังธรรมฟังธรรมท่านเกิดโยนิโสมนัสิการพอเกิดโยนิโสมนัสิการในตัวโยนิโสมนัสิการขับเคลื่อนท่านให้ท่านเป่งให้เกิดกุศลแจิตกุศลจิ ต, ก, จตก็เป็นปใจใัจจัยการันจะแต่งกัมพีแต่งว่าจามั้งดูกระแสบุญของท่านเนี่ยมากทีนี้พอกระแสบุญอันนี้เกิดขึ้นไปสัมผัสแล้วก็ไป น, นอบน้อมต่อพระาราชนตรัยกระแสบุญยังมีพลานิสง์มาก ก็สามารถป้องกันคุ้มครองไปอย่าท่านตั้งอัธยาศัยเลยไหมบอกว่าขอบุญเนี่ยบุญใดที่สําเร็จด้วยการไหว้พระรัตนตรัยมีอยู่แก่ข้าพเจ้าผู้มีใจเลื่อมใสขอข้าพเจ้าชงบนผู้มีอันตรายด้วยอนุภาพเป็นบุญนั้นขจัดราบคาบแล้วด้วยประการดังนี้บอกว่าอันตรายทั้งปวงนั้นที่จะเกิดแก่ข้าพเจ้าราบคาบไม่ว่าจะอันตรายที่เกิดจากน้ําไฟดินลมเป็นต้นอันตรายที่เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเป็นต้นเหล่านี้ก็ทันขออัตกถาใดอันพารหันตะสำเป็น ท่านบอกอัตถกถาใดอันพระอรหันาร้อองค์สังคยนาแล้วแต่ต้นและสังคยนาต่อมาเพื่อประกาศเนื้อความของทีขนิกายซึ่งกำหนดหมายไว้ด้วยสูตรขนาดยาวละเอียดละออประเสริฐกว่านิกายอื่นที่พระพุทธเจ้าและสาวกสังวรณาไว้มีคุณค่าด้วยการปลูกฝังศรัทธาแก่ภายหลังพระมะหินทเทระนามาเกาะสีหน ต่อมาได้เรียบเรียงด้วยภาษาสีหนเพื่อประโยชน์แก่ชาวสีหนทั้งหลายท่านท่านพรณ า, าคือในคํากล่าวปนามกถาของท่านหรือการกล่าวคํานอบนอมของท่านเนี่ยเป็นการเล่าเรื่องด้วยนะเป็นการเล่าเรื่องเ อ, อในทีขณิกายที่โดยเฉพาะตั้งแต่พรหมชาลสูตรเป็นต้นเนี่ยที่ท่านมาขยายความเนี่ยท่านอาศัยใครอาศัยอัตถกถาเพื่อใอส่พระลรหันห้าร้อองค์ที่เริ่มสังเไอ ที่เริ่มมีสังขยานากันมาก่อนหน้านั้นะหลังจากพุทธปรินิพานแล้วเ น, นี่ยท่านพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจัดเป็นอัตรกระถาเหนกันต้นๆสังขยนาแล้วแต่ต้นตลอดถึงมีสังมีอัตรกระถาทั้งหลายท่านขยายอะไรต่างๆเป็นต้นเนี่ยท่านก็จะเอาแนวนั้นแหละเอาแนวของท่านหลมันเป็นตัวตั้งในการที่จะอธิบายแล้วก็สังขยนากันต่อต่อมาเพื่อประกาศเนื้อความของทีคณิกายในทีคณิกายนกําหนดไว้หลายสูตรเป็นพระสูตรขนาดยาวละเอียดละออมากประเสริฐกว่าขณิกายน่น คำว่าประเสริฐกับนิยายอื่นเพราะยาวกว่านั่นเอง ย, ยาวกว่าคือมากกว่าและสาวกสั ง, ส ง, สงวนนาไว้มีคุณค่าในการปลูกฝังศรัทธาบอกเออถ้าใครมาศึกษามาฟังคําสอนนี่จะมีคุณค่ามากปลูกฝังศรัทธาภาษาทะคือสัตย์ทำไมศรัทธาจึงต้องปลูกฝังรึเปล่าศรัทธาเนี่ยมันเหมือนกับการต้นไม้เหมือนกับเราจะปลูกต้นโพต้นไม้อะไรต่างๆนี้เป็นต้นถ้าหากว่าถ้าหาไม่ปลูกไม่ฝังลงไปในดินเนี่ยรากมันไม่ยัง่งลึก ศรัทธาก็เหมือนกันถ้าเราไม่ฟังคําสอนไม่อะไรต่างๆเหล่าเนี้ยไม่ศึกษาคําสอนของพระเจ้าเนี่ยศรัทธามันจะไม่มีรากอย่างลึกมันจะไม่เป็นอาจราสาัสศรัทธาศรัทธานี่ปัจจุบันง่อนเง่นมากนะจนคนหลายคนในยุคปัจจุบันก็มาเรีย่ยศรัทธากันอะไรปแปลกๆกันไม่รู้บางคนก็บอกศรัทธาหัวเตา่บาบังศรัทธาเลยโผเผ่าโหออกอะไรเงี้ยโพโพโผ บางคนก็ว่าๆกันแปลกๆเนี่ยบอกว่าเนี่ยศรัทธาแปลกๆเนี่ยเพราะลูกมาบวชก็ศรัทธาเพราะลูกศึกศึกหมดก็อดศรัทธาบางคนก็เป็นอย่างนั้นแต่ตอนลูกบวชอยู่มาทุกวันมาวัดทุกวันจเจ้าถึงเย็นถึงตั้งวันใหม่ต่างหากมีของแถมมาด้วยอย่างเศรัทธาในลักษณะนี้เอาเอาเอาธรรมาหยอดตาไม่ได้เลยไม่ได้เลยศรัทธาที่ไม่ไม่มั่นคงทีนี้ต่อมาภายหลังพระมาหินทเถิละคือพระมหินเนี่ยเนี่ยรู้สึกจะเป็นลูกของพระเจ้าโศกเนี่ยนํา นำพุทธศาสนามาเกาะสิงห์โหนก็คือมาที่ลังกาต่อมาก็เรียบเรียงเป็นภาษาสิงห์โหนไหมจากภาษาบาลีก็มาแปลงเป็นภาษาสิงห์โหนเพื่อประโยชน์แก่ชาวสิงหนโหนทั้งหลายต่อจากนั้นข้าพเจ้าจึงแปลใช่ไหมจึงแปลภาษาสีหนเนี่ยเป็นภาษามาคตถูกต้องตามหลักภาษาไม่ผิดเพี้ยนอัคราสมัยคือท่านกลับมาแปลกลับใหม่เพราะตอนนั้นน่ะพระมหินท่าเถละกนางสังขมิตาเถรีซึ่งเป็นลูกสาวลูกชายของพระเจ้าโศกนําพุทธศาสนาพร้อมด้วย พิกษุภิกษุณีในยุคนั้นเอามาประกาศศาสนาในสีหนทวีปก็คือในรังกาในปัจจุบันเนี่ยแต่พอมาในทวีปนั้นมาในรังกาเนี่นั้นก็ต้องมาเปลี่ยนแปลงจากภาษามาคตกลายเป็นภาษาสีหนภาษาของของของคนในใน ใ, ในเมืองนั้นก็เหมือนระไตรพิดกของเราเนี่ยจริงจริงเเป็นภาษามาคตรเนี่ยพอมาสู่ประเทศไทยก็มาแปลกันเป็นภาษาภาษาไทย ท่านก็มาแปลกลับเขาไว้มารักษาพุทธพจน์เขาไว้คือไม่ให้ผิดเพี้ยนอัคราสมัยของพระเถระและคณะมหาวิหารแต่ถือพระเถระในลังกาทวีปนั่นแหละผู้เป็นปฏิที่แผงเถรวงศ์ที่วิชัยไว้ละเอียดละอจะตัดข้อความที่ซ้ำซากออกแล้วประกาศข้อความเพื่อความชื่นชมยินดีของสาธุชนและเพื่อความยั่งยืนของวัฒน์เออถ้าข้อความใดมันซ้ำซากนะว่างั้นนะท่านก็จะตัดตัด ต, ดตดัออกเสียแล้วก็ทําให้รัดกุมขึ้นให้ดีขึ้นนะ ให้ละเอียดละออขึ้นเพื่อความชื่นชมยินดีของสาธุชนและเพื่อความยั่งยืนของพระธรรมื่อเออพระธรรมคำสอนของพระเจ้าจะได้มีอายุยั่งยืนนานไปจนถึง 5,000 ันปวสาห้0 0ัปีเป็นต้นแล้วเนี่ยศีละกถาก็หมายถึงคําพูดที่พูดเรื่องศีลทุดงธรรมหมายถึงผูตง้ตรงกับกรรมฐานทั้งปวงมีสมถะกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานฌานสมาบัติพิสดารซึ่งประกอบประกอบด้วยวิธีปฏิบัติจริตอภิญยาทั้งปวงข้อวินิจฉัยทั้งปวงด้วยปัญญา ในเรื่องของขันห้าอธาตุสิบอายตนะ12บอินทรีย์ยีอริยสัจสี่ปัจจิการสิบเทศนาและวิปัสนาภาวนามีในอันบริสุทธิ์ดีและละเอียดละอ่อที่ไม่นอกทางพระบาลีข้อธรรมดังกล่าวนี้ทั้งหมดข้าพเจ้ากล่าวไว้แล้วในคมภีร์วิสุทธิมักแล้วอย่างบริสุทธิ์ดีบอกเออในข้อความเ่านี้กล่าวไว้แล้วในคำพี์วิสุทธิมักอย่างบริสุทธิ์อย่างดีเพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจักไม่วิจารณ์ข้อธรรมทั้งหมดนั้นในที่นี้ให้ยิ่งยิ่งขึ้นไป คือเวลาจะพูดในเรื่องของศีลพูดในเรื่องของทุต ด, ดงพูดในเรื่องของกรรมฐานพูดในเรื่องของสมถะวิปัสนาพูดในเรื่องของขันอยนายตนะธาตุสัจจอินท ร, รีย์ปรยาการเนี่ยท่านบอกว่าท่านจะไม่กล่าวละเอียดละอ่อนะเพราะว่าได้กล่าวไว้แล้วละเอียดละออในคัมพีวิสุทธิมารณ์ท่านสาธุชนท่านใดที่ปรารถนาความวิจิตพิสดารก็บอกให้ตรวจดูในคำภีวิสุทธิมารณนั้นที่อยู่ท่ามกลางของนิกายทั้งสอยู่ท่ามกลางนิกายทั้งสี่มีทีแค่นีกายนั้นจักประกาศเนื้อความ ตามที่กล่าวไว้ในนิกายทั้งสี่เหล่านั้นบอกอบอกว่าจะกล่าวในนั้นอาจจะกล่าวเนื้อความไว้ทั้งหมดแหละถ้าจะอ่านพระไตรปิฎกในทีคนีกายสังยุตตะนิการมัชฌิมานิกายรสังยุตอังคุตตะนิกายขุทธกานิกายเป็นต้นเนี่ยเนี่ยัน่นก็คือจัดอยู่ในนิกายเหล่านั้นข้าพเจ้าแต่งไว้ด้วยความประสงค์อย่างนี้มาอถาธิบายเราฟังเราก็สบายไม่ต้องไปอ่านอะไรเยอะใช่ไหมสบายแล้วคนมีบุญเป็นเงี้ยคนมีบุญไม่ต้องไปค้นในเสียเวลาเดี๋ยวคนอื่นก็ค้นมาไอ้นี่เรื่องพูดจริงนะ ให้สังเกตโดยที่คนมีบุญเนี่ยเขาไม่ต้องไปปลูกข้าวไม่ต้องไปอะไรหรอกถึงเวลามีคนยกอาหารมาวางนั่นคือในด้านของทานากุศลด้านศีลกุศลเป็นต้นถ้ามีคนแต่งเนื้อแต่งตัวให้ฟรีถ้ด้านภาวนากุศลถ้าทำมาดีเนี่ยไม่ต้องไปอ่านเดี๋ยวคนอื่นก็มาบอกนี่เป็นบุญนะเนี่ยเป็นบุญบุญที่ทำก็ว้าแหมแต่บางคนนี่กว่าจะรู้อะไรแต่ละเรื่องนี่เปิดหาอยู่นั่นแหละบางทีคืนนึ่งคืน ลำบากมันต้องไปนั่งปฏิบัติมาตรึกมาคข้ควรมาพิจารณาแ ล, แล้วยังเป็นโทษได้นะถ้าไปกล่าวเรื่องผิดออกไปเนี่ยไอ้คนกล่าวเป็นโทษก็อีกเพราะกล่าวถกูกได้บุญแต่กล่าวผิดเป็นโทษเกิดมาเป็นผู้ฟังนี่ดีกว่าผู้พูดจริงๆแล้วเดี๋ยว